สือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์เนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมรให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สวิธีปฏิบัติ12ประการเพื่อจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่9สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ท่านอยากได้คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะหยุดการโต้เถียงทําลายความรู้สึกโกรธเคืองสร้างมิตรไมตรีและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจบ้างไหมท่านอยากได้หรือดีแล้วนี่ไงล่ะท่านท่านจงพูดผมไม่ได้โทษคุณเลยแม้แต่น้อยที่คุณรู้สึกเช่นนี้ถ้าผมเป็นคุณแน่นอนเหลือเกินผมจะต้องรู้สึกเหมือนอย่างคุณเช่นเดียวกันคําตอบเช่นนี้แม้แต่คนผ่านเกเรอยร่างไร้กาศที่สุดก็จะเยือกเย็นลง ท่านจงใช้คําพูดนี้และพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาร้อยเปอร์เซนตเพราะถ้าท่านเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแน่ละ่ะท่านอาจจะต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเขาข้าพเจ้าขอที่บายให้ท่านเข้าใจด้วยการยกตัวอย่างอันคาปอลถ้าสมมติว่าท่านสืบสายโลหิตโดยมีร่างกายนิสัยและจิตใจเช่นเดียวกับที่อันคาปอนสืบสายโลหิตและสมมติว่า สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของท่านเช่นเดียวกับของเขาท่านจะต้องเป็นอย่างเดียวกับเขาและอยู่ในสภาพเดียวกับเขาทุกประการเพราะสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะที่สร้างเขาให้อยู่ในฐานะดังกล่าวเป็นต้นว่าเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นที่ท่านมิได้เป็นงูก็เพราะแม่และพ่อของท่านมิได้เป็นงูเหตุผลข้อเดียวเท่านั้ น, ท, ท, น, น, ท, น, นที่ท่านไม่ต้องจูบวัวและถือว่างูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะท่านมิได้เกิดมาในครอบครัวชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำพรมบุตรท่านอยู่ในฐานะใดก็ตามควรถือว่ามิได้เป็นเกียรติอันให ญ, ญ่โตอะไรเลยและจงจำไว้ว่าคนที่ท่านติดต่อด้วยแม้จะเป็นคนขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวพูดดันทุรังและปราศจากเหตุผลเขามิได้เป็นคนต่ำช้าสารเลวมากมายนักที่ต้องอยู่ในฐานะนั้นจงรู้สึกสลดใจต่อมนุษย์ ซึ่งน่าสมเพศเวทนาคนนั้นจงสงสารเขาจงเห็นใจเขาจงพูดกับตัวของท่านเองทำนองเดียวกับยอนบีกอฟเคยพูดกับตัวของเขาเมื่อเห็นเจ้าคนขี้เมาคนหนึ่งเดินโซเซไปตามถนนเป็นความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าที่ฉันไม่ได้เป็นคนพันนั้นสามส่วนสี่ของบุคคลที่ท่านพบปะวันพรุ่งนี้ล้วนแล้วแต่หิวกระหายที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจจงให้มันแก่เขาและเขาจะรักท่านครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าพูดวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับความเป็นไปของลุยซาเมออนคอร์ดผู้แต่งนวนิยายเรื่องสาวรุ่นตามความเป็นจริงข้าพเจ้ารู้ดีว่าบ้านของหล่อนอยู่ที่เมืองกองกอด ร, รัฐแมสซาชูเซตสและแต่งอมตะนิยายหลายเล่มที่เมืองนั้นแต่ครั้นเมื่อพูดวิทยุข้าพเจ้าเผลอพูดว่าข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยิยนบ้านเก่าแก่ของหล่อนที่เมืองกองกอด ร, รัฐนิวแฮมเชอร์ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดว่าอยู่ในรัฐนิวแฮมเชอร์เพียงครั้งเดียวก็จะได้รับการให้อภัยแต่อนิจจาอนิจจังข้าพเจ้าพูดถึงสองครั้งจดหมายและโทรเลขส่งมายังข้าพเจ้ากองพเนจรเทินทึกล้วนแล้วแต่เล่นงานข้าพเจ้าเสียเจ็บปวดจนดูคล้ายกับแตนฝูงใหญ่แห่กันมาต่อยรอบๆหัวอันไม่ได้ป้องกันของข้าพเจ้าจดหมายและโทรเลขเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากที่แสดงอาการเดือดดานและหลายรายกล่าวสบประมาท มีสุภาพสตรีในสมาคมชั้นสูงผู้หนึ่งผู้เกิดและเติบโตในเมืองกองกอดรัฐแมสซาชูเซตเวลานี้อยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียกระนำความโกรธอันพุ่งพล่านใส่ข้าพเจ้าเสียใหญ่หล่อนจะไม่เสียใจถึงขนาดนี้ถ้าข้าพเจ้ากล่าวหาว่ามิดออนคอร์เป็นมนุษย์กินคนมาจากเกาะนิวกินีขณะข้าพเจ้าอ่านจดหมายข้าพเจ้าพูดกับตนเอง ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้แต่งงานกับหญิงคนนี้ข้าพเจ้านึกอยากเขียนตอบหล่อนว่าแม้ข้าพเจ้าผิดในทางภูมิศาสตร์ก็จริงแต่หล่อนผิดมากกว่าการหลายเท่านักในทางมารยาทตามวิสัยสุภาพชนนั่นเพียงแต่ประโยคต้นๆของจดหมายเท่านั้นแล้วข้าพเจ้าจะม้วนแขนเสื้อและเขียนต่อไปด้วยความรู้สึกนึกคิดอันแท้จริงของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําลงไปดังกล่าวข้าพเจ้าควบคุมตนเองไว้อยู่ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า คนโง่ที่ปราศจากสติคนหนึ่งคนใดก็สามารถทําเช่นนี้และคนโง่ส่วนมากได้ทําเช่นนี้จริงๆเสียด้วยข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นผู้อยู่เหนือกว่าคนโง่ทั้งหลายเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตกลงใจที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นศัตรูของหลอนให้กลายเป็นมิตรการกระทําเช่นนี้ดูคล้ายกับการท้าทายในเกมบางชนิดที่ข้าพเจ้าเล่นเป็นข้าพเจ้าพูดกับตนเองที่จริงถ้าฉันเป็นแม่คนนี้ ฉันคงจะรู้สึกเช่นเดียวกับหลอนรู้สึกเหมือนกันดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะเห็นอกเห็นใจหลอนในแง่คิดเห็นของหลอนเมื่อข้าพเจ้าไปเมืองฟิลาเดลเฟียในคราวต่อมาข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์หาหลอนการสนทนากับหลอนมีทำนองนี้คุณนายคุณเขียนจดหมายถึงผมฉบับหนึ่งเมื่อสองสัปดาห์มาแล้วผมต้องการจะตอบคุณในเรื่องนี้หลอนตอบวงเล็บเปิดเสียงหวานแหลมแสดงถึงเป็นผู้มีวัฒนธรรมและอบรมมาในตระกูลผู้ดี ดิฉันได้รับเกียรติพูดกับใครคะข้าพเจ้าพูดผมเพียงแต่เป็นคนแปลกหน้าสําหรับคุณผมชื่อเดลคาเนกี้คุณฟังผมพูดวิทยุในวันอาทิตย์เมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้วเกี่ยวกับลุยซาเมออนคอร์ดไงล่ะครับผมได้ผิดพลาดไปอย่างให้อภัยไม่ได้ที่พูดว่าหลอนอยู่เมืองกองกอดรัฐนิวแฮมเชอร์มันเป็นความผิดอย่างบัตรซบซึ่งผมจะต้องขอโทษคุณช่างกรุณาผมเหลือกเกินที่อุตส่าห์เสียเวลาเขียนจดหมายถึงผมหลอนพูดต่อ ดิฉันเสียใจค่ะมิสเตอร์คาเนกีที่ได้เขียนไปอย่างนั้นดิฉันกําลังโมโหจนลืมตัวค่ะดิฉันต้องขอโทษค่ะเข้าไปเจ้าพูดไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องขอโทษผมตั้งหากที่จะต้องขอโทษคุณเด็กนักเรียนทุกคนรู้ดีกว่าผมเสียอีกและเขาจะไม่พูดอย่างที่ผมพูดผมขอโทษผู้ฟังทางวิทยุแล้วเมื่อวันอาทิตย์สัปดาห์ต่อจากอาทิตย์นั้นส่วนคุณผมขอโทษ ด, ด้วยตนเองอยู่เดี๋ยวนี้หล่อนพูดดิฉันเกิดที่เมืองกองกอด รัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะพวกตระกูลของพ่อดิฉันมีหน้ามีตาอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์มาเป็นเวลาถึงสองศตวรรษและทีฉันภูมิใจในรัฐ บ, บ้านเกิดนี้ของดิฉันมากดิฉันรู้สึกกลุ้มใจอย่างที่สุดเมื่อได้ยินคุณพูดวิทยุว่ามิดออนคอร์ดเกิดในรัฐนิวแฮมป์เชอร์แต่ดิฉันรู้สึกอายที่ได้เขียนจุดหมายฉบับนั้นเหลือเกินเขาประเจ้าพูดคุณรับรู้เสร็จด้วยว่าความกลุ้มใจของคุณไม่ถึงหนึ่งส่วนสิบของความกลุ้มใจของผมความผิดพลาดของผม ไม่ได้ทำให้รัฐแมซาชูเสดปวดปร้าวอะไรเลยแต่ทำให้ผมปวดปร้าวอย่างที่สุดไม่เป็นของบ่อยนักที่คนชั้นคุณและมีจิตใจสูงอย่างคุณจะยอมเสียเวลาเขียนจดหมายถึงคนพูดวิทยุซึ่งผมหวังว่าคุณคงจะเขียนถึงผมอีกถ้าหากได้พบว่าผมพูดอะไรผิดผิดหล่อนพูดดิฉันขอ บ, บอกคุณด้วยความจริงใจค่ะดิฉันชอบวิธีที่คุณต้อนรับคาวิพากษ์วิจารณ์ของดิฉันอย่างที่สุด คุณต้องเป็นคนที่น่าคบมากทีเดียวดิฉันอยากรู้จักคุณยิ่งไปกว่าทางโทรศัพท์ค่ะเหตุนี้เองด้วยการขออภัยและเห็นใจต่อแง่คิดเห็นของหลอนข้าพเจ้าได้รับอภัยและเห็นใจจากหลอนต่อแง่คิดเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าประสบผลเป็นที่พึงพอใจในการบรรณับอารมณ์มให้พุ่งพลานเป็นความพอใจซึ่งสืบเนื่องมาจากการแสดงความมีใจกว้างตอบแทนการศบประมาท ข้าพเจ้าได้รับความอิ่มอกอิ่มใจที่ทําให้สุภาพส ต, ตรีผู้นี้ชอบข้าพเจ้ายิ่งกว่าการพูดกับหลอนด้วยวาจาสามหากระเาร้าเสีอีกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องเผชิญเกือบประจําวันเกี่ยวกับปัญหามนุษยสัมพันธ์ประธานาธิบดีทัพไม่ได้อยู่ในขายยกเว้นและเขาได้เรียนรู้จากความเจนจัดแห่งชีวิตว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นโอสถวิเศษที่จะบําบัดความเศร้าเสียใจในหนังสือของเขาชื่อ คุณประโยชน์ของศิลธรรมจัญยาทับเล่าถึงว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรจึงสามารถทำให้หญิงกลางคนผู้หนึ่งซึ่งไม่พอใจเพราะผิดหวังหายโกรธหญิงผู้ดีอยู่ในกรุงวอชิงตันคนหนึ่งทับเขียนในหนังสือเล่มนั้นซึ่งผัวของหล่อนเป็นคนมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่บ้างใช้ความเพียรติดต่อกับข้าพเจ้าเป็นเวลา6สัปดาห์เศษเพื่อให้ข้าพเจ้าแต่งตั้งลูกชายของหล่อนเข้าทารัฐการในตาแหน่งหนึ่ง หลอนหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนหลายคนและติดตามคนเหล่านั้นมาด้วยเมื่อมาหาข้าพเจ้าโดยประสงค์จะได้ยินด้วยตนเองว่าผู้แทนเหล่านั้นกล่าวคำพูดสนับสนุนลูกชายของหลอนหนักแน่นมั่นคงอย่างไรบ้างตําแหน่งนี้จําเป็นจะต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการโดยเฉพาะและจะต้องรับรองคุณวุฒิโดยหัวหน้ากองซึ่งข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้แก่ผู้มีสมรรถภาพเหมาะสมผู้หนึ่งไปแล้ว ข้าพเจ้ารับจดหมายจากหญิงผู้นี้กล่าวลำเลิกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอย่างที่สุดเพราะเพียงแต่ข้าพเจ้ากระดิกนิ้วเท่านั้นก็สามารถช่วยให้ลูกชายของหลอนได้ตำแหน่งนี้และจะทำให้หลอนประสบความสุขจากความช่วยเหลือนั้นหลอนรำพันต่อไปว่าหลอนใช้ความอุตสาหาพยายามติดต่อกับสมาชิกสภาที่หลอนรู้จักชอบพอจนได้คะแนนเสียงโหวตอย่างครบบริบูรณ์ที่จะลงมติรับกฎหมายการปกครอง ซึ่งข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษแต่แล้วผลที่หล่อนได้รับเป็นการตอบแทนก็คือข้าพเจ้าไม่ช่วยลูกชายของหล่อนเมื่อท่านได้รับจดหมายชนิดนี้สิ่งแรกที่ท่านพึงกระทําก็คือท่านคิดว่าท่านควรเอาเรื่องกับบุคคลผู้ขาดมัญญาตอันดีหรือเป็นบุคคลที่ค่อนข้างอวดดีอยู่ไม่น้อยหรือไม่ครั้นแล้วท่านก็จะแต่งจดหมายตอบแต่ถ้าท่านฉลาดท่านจะเวียงจดหมายฉบับนั้นไว้ในลิ้นชักโต๊ะและใส่กุญแจเสียโดยไม่เอาธุระกับการตอบเลย จากเวลาผ่านไปสองวันท่านจึงเปิดลิ้นชักดึงมันออกมาและจัดการตอบเพราะจดหมายชนิดนี้ควรตอบให้ช้าไปสักสองวันจึงจะเหมาะแต่ถ้าท่านเอามันออกจากลิ้นชักเกินไปกว่าสองวันท่านมักจะไม่ตอบเลยข้าพเจ้าก็ปฏิบัติเช่นที่กล่าวแล้วคือเก็บมันไว้สองวันครั้นแล้วข้าพเจ้านั่งลงเขียนตอบด้วยข้อความอันสุภาพเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถจะเขียนได้แจ้งแกหลอนว่า ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความผิดหวังของหล่อนในฐานะแม่ว่ามีมากมาอย่างไรบ้างแต่ความจริงการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งนี้ข้าพเจ้ามิได้ถือเอาแต่ความพอใจของข้าพเจ้าตามลำพังหากจำเป็นต้องเลือกบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการโดยเฉพาะและจะต้องอาศัยคำรับรองของหัวหน้ากองข้าพเจ้าให้ความหวังไว้ว่าลูกชายของหล่อนคงจะไม่ลดความพยายามก้าวหน้าจากงานปัจจุบันของเขาพิสูจน์ความสำเร็จโดยได้รับตำแหน่งที่หล่อนปรารถนา คำตอบของข้าพเจ้าระ ง, งับความเสียใจของหล่อนลงอย่างเรียบร้อยและหล่อนเขียนตอบข้าพเจ้าว่าหลอนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เขียนจดหมายฉบับนั้นคำสั่งแต่งตั้งของข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศในทันทีทันใดซึ่งในระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งลายเซ็นเป็นของผัวหญิงผู้นั้นส่วนลายมือเหมือนกับจดหมายฉบับอื่นๆของหล่อนข้อความมีว่าเมียของเขาเป็นโรคประสาทอ่อนกำลัง เนื่องด้วยได้รับความเสียใจจากความผิดหวังในเรื่องนี้และหล่อนถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสือ่อและเป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารแทรกเข้ามาอีกโรคหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ช่วยให้สุขภาพของหล่อนฟื้นคืนเป็นปกติด้วยการถอนชื่อคนที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งและใส่ชื่อลูกชายของเขาและหล่อนแทนแหรือข้าพเจ้าจึงต้องเขียนจดหมายอีกฉบับหนึ่งคราวนี้ถึงผัวความว่าข้าพเจ้าหวังว่าอาการเมียของเขาคงจะไม่เหลือวิสัยของแพทย์ และข้าพเจ้าเห็นใจเขาที่เขาต้องกลุ้มใจในอาการป่วยไข้และร้ายแรงของเมียแต่สุดความสามารถที่ข้าพเจ้าจะถอนคำสั่งเอาชื่อของคนที่แต่งตั้งไปแล้วออกทั้งนี้ก็เพราะใบประกาศยืนยันเป็นทางการไปแล้วหลังจากรับจดหมายฉบับนั้นสองวันมีการแสดงดนตรีที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แขกสองคนแรกที่ค้งคำนับให้นางทัพและข้าพเจ้าก็คือผัวเมียคู่นี้แม้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้น หญิงผู้เมียได้ถูกอุปโลกให้เป็นคนป่วยหนักถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อผู้จัดการดนตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นเอ็ดฮิวอกนี่เองนับเป็นเวลาถึง20ปีที่เขาสามารถติดต่อกับพวกศิลปินนักร้องด้วยความเรียบร้อยราบรื่นศิลปินซึ่งมีชื่อเสียงของโลกเช่นชลีอาปินไอซาโดราดังแคนและบาบโลวามิสเตอร์ฮิวอก บอกข้าพเจ้าว่าบทเรียนแรกที่เขาได้ศึกษาในการติดต่อสัมพันธ์กับดารานักร้องเหล่านี้ซึ่งตามปกติมีอารมณ์แรงก็คือจําเป็นต้องแสดงความเห็นโอกเห็นใจและความเห็นใจแต่อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะทําให้นักร้องผู้มีนิสัยและอารมณ์อันประหลาดพิสดารเหล่านี้อยู่ในกำมือได้นับเป็นเวลาสปีที่เขาทําหน้าที่ผู้จัดการของฟิออเดอร์ชลีอาบิน นักร้องเสียงเบตรเรืองนามซึ่งการแสดงร้องเพลงของเขาที่โรงละครเมโทรปรลิตันที่นั่งถูกจองหมดทุกคราวแม้กระนั้นชลีอาปินทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นบ่อยๆเนื่องจากเป็นคนที่ทำอะไรเอาแต่ใจเหมือนเด็กนิสัยเสียมิสเตอร์ฮิว洛พูดถึงชลีอาปินเขาเป็นคนที่แสนจะร้ากาศในทุกๆ ท, ทางเป็นต้นว่าวันหนึ่งชลีอาปินโทรศัพท์ถึงมิสเตอร์ฮิวเมื่อใกล้เที่ยงของคืนที่เขาจะต้องแสดงการร้องเพลง และพูดซ่อนผมรู้สึกไม่สบายเสียแล้วล่ะคอผมแห้งผากเหมือนเนื้อทอดสุดวิสัยที่ผมจะร้องเพลงคืนนี้ท่านคิดว่ามิสเตอร์ฮิวโต้เถียงกับเขาหรือโอ้เปล่าเลยเขารู้ดีว่าผู้จัดการของพวกมีความสามารถพิเศษถึงขั้นศิลปินไม่สามารถทำงานได้ผลด้วยการใช้วิธีนั้นเขาตรงไปหาชลีอาปินที่โรงแรมหลังความเห็นอกเห็นใจออกมาด้วยคาพูดอย่างเศร้าเสียใจ ทัางน้าสงสารอะไรเช่นนั้นทั้งหน้าสงสารเสียจริงๆโฒ่เอ๋ยแน่นอนคุณจะร้องเพลงได้อย่างไรกันผมจะจัดการให้งดรายการแสดงเสียเลยคุณขาดประโยชน์ไปเพียงสองพันเหรียญเท่านั้นเองซึ่งเงินจํานวนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเสียงของคุณมันไม่มีความหมายอะไรเลยแต่แล้วเฉีอปินถอนหายใจและพูดทั้งที่ดีคุณมาดูผมอีกครั้งในตอนห้าโมงเย็นว่าผมเป็นอย่างไรบ้างก็แล้วกันครั้นเวลา17บเนาฬิกามิสเตอร์ฮิวรอกรีบตรงมายัางโรงแรมนี้อีก และกล่าวคำพูดแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาพูดถึงความตั้งใจที่จะงดรายการแสดงอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งชลีอาปินถอนหายใจและพูดอย่างนี้ก็แล้วกันคุณมาหาผมอีกสักครั้งผมอาจจะอาการดีขึ้นเวลา 19.30 นาฬิกานาทีเมื่อมิสเตอร์ฮิวอกมาหาอีกครั้งนักร้องเสียงเบสลือนามผู้นี้ยอมตกลงร้องเพลงก็โดยมีเงื่อนไขว่ามิสเตอร์ฮิว洛จะเดินออกไปที่เวทีของโรงมหรสพเมโทรโพลิตัน และประกาศว่าชลีอาปินเป็นวัดค่อนข้างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเสียงจึงไม่เรียบร้อยนักมิสเตอร์ฮิโกหกว่าเขาจะทำตามที่ตกลงกันเนื่องจากเขารู้ว่าการกระทำเช่นนี้ที่จะสนับสนุนให้นักร้องเอกผู้นี้ปรากฏร่างบนเวทีดรอาเธอร์ไอเกตกล่าวไว้ในหนังสือดีเยี่ยมของเขาชื่อการศึกษาจิตวิทยาการเห็นอกเห็นใจเป็นความหิวกระหายทั่วไปในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์เด็กๆชอบอวดบาดแผล หรือบางรายแกล้งให้มีบาดหรือมีแผลถลอกเพื่อจะได้รับความเอ็นดุกเห็นใจมากมายจากผู้ใหญ่ด้วยความประสงค์อย่างเดียวกันหนุ่มสาวจะอวดแผลถลอกเล่าถึงอุบัติเหตุความเจ็บปวดรายละเอียดของการผ่าตัดความสมเพศเวทนาตนเองสำหรับเคราะหกรรมนานาชนิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นจินตนาการเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่ในมนุษย์ทั่ ว, วไปดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่าน กฎที่9มีดังนี้จงเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง